อืมมันนอนมันบากตื่นแล้วก็นอนมันบากเห็นไหมฝึกยังไงรช้ทั้งสันฝึดยังไงได้อย่างนั้น นอนเน่ยนอนยาวเนี่ยใครเลยรับลระครับนั่นแจ็คไมรับจนไม่หรอกจ็คไมตื่นจนไม่เลยอ่ะอือคเกับนอนเลย ทุกวันนี้มันสิ่งที่มันขาดแคลนจริงๆนะพี่แฝดเนาะคือน้ำใจเนาะแม้แต่คนในครอบครัวก็ไว้ใจไม่ได้นะบางทีครอบครัวเนี่ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยนะมันไม่ใช่เป็นในสมัยนีน้นะถ้ากินเลด สิ้งหน้าแล้วหมดค่าหมดสิ้นความเป็นมนุษย์เลยนะมันเป็นเรื่องในสมัยเอโดะสมัยฮ่องเต้พี่น้องอ่ากันอะไรเนี้ยวางยาพิษกันะสมัยเอโดะก็ อ่าโชคคุณอ่าคนสุดท้ายไยโชคคุณอะไร ะ, อ, ะอกจากคนปัญญาอ่อนที่มีชีวิตอยู่ได้ถ้าคนมีสติปัญญาฮะจะโดนวางยาโดนฆ่าดนฆาต ก, กรรมทั้งวันใช่ไหมในบรรดาลูกของโชคคุณ นะสมัยไหก็เหมือนกันคนนี่เฉพาะสมัยนี้นะถ้าสิน่ำไม่มีในจิตในใจนะนะนะนะความแห้งแรง้งน้ำใจเนี่ยนะมันจะไม่ยิเกิดขึ้นเลย ถ้าคุณไม่มีฮิริโอตปะเห็นไหมไอหลวงจาก็ชอบคำที่เขาบอกว่าสถานที่ไหนองค์กรไหนถ้ามีผลประโยชน์เป็นหลักก็ะะะจะมีคนต่อแหลกเกิดขึ้นกับมันมากมาย ที่ไหนมีมนุษย์ฮซึ่งมีคนอ ะ, อะนั่นแ่ะน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกับเทวดาน่ากลัวกับพญานาคฮะพญานาคไม่ได้น่ากลัวเลยนี่แต่มนุษย์อะเสียขันปันแฉ่งขึ้นปุ่งแฉ่งขึ้นไม่ ว, ว่าผีสางเทวดาไง เหมือนคำว่ายักษ์คำว่ายักษ์ยักษ์เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ามาปั้นมีเขี้ยวมีตัวใหญ่ๆถือค้อนนะคำว่ายักษ์ในภาษาบาลีแปลว่าผู้กดบูชา สิ่งที่น่ากู้กรับคืนมาที่สุดก็คือสินทำนะฮะสิ่งที่โลกขาดแคลนน ะ, ะคือน้ำใจแต่ไม่ใช่คนเก่งหรอกอ ะ, อะยิ่งมีคนเก่งแต่ไม่มีสินทำอ่ะยิ่งเลวร้ายที่สุดอ่ะใช่ปะ จะเห็นเทวดาสร้างมิวเครือสร้างอาวุธายแรงมาทำร้ายกันนะเทวดาจะม า, ากลัวที่ไหนอ่ะใช่ไหมไม่จะมนุษย์ <c oughs> สร้างระเบิดสร้างอาวุธสร้างกับดักหลายอย่าง ทำลายตัวมนุษย์เขามันเองเ <c oughs> สิ่งที่เลวร้ยรายที่สุดในโลกเนี่ยไม่ได้ใช่เทวดาผีสางหรือพญานากเลยนะคือใจมนุษย์ใจคนเลยแหลนะห้ากลัวที่สุดนะส เขาบอกค น, นเป็นสัตว์ประเสริฐฮะมันประเสริฐจริงหรือเปล่าล่ะฮะถ้ใจขาดศีลขาดธรรมเนี่ยไม่มีแล้วจะกลายเป็นสัตว์เลวร้ายมากก็คือคนนี่แหละ จริงในตัวเขามนุษย์เองกินเหลือเองน่ถ้ามันหน า, นานแน่นในจิตในใจรวงไหนนะนะมันจะสิ้นค่าสิ้นราคาของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์นะโหดร้ายที่สุดนะยิ่งขึ้นมามีอำนาจนะ สามารถอำนาจากับความอมัมพาตยังจะอยู่คู่กันมีหลวงตาเคยถามอ่ะมีแปะทำไมเจ้าพ่อเน่ยคนที่เป็นเจ้าพ่อทํำยังไงถึงได้เป็นเจ้าพ่ออฮะทำยังไงถึงไดเป็นเจ้าพ่อ ถ้าอยากเป็นเจ้าพ่อจะทํายังไงก็ต้องฆ่าเจ้าพ่อไงเห็นไหมไม่มีหน้ารองเจ้าพ่อมิจจะลองนายกแล้วอยากเป็นเจ้าอ่ะอยากเป็นเจ้าพ่อต้องฆ่าเจ้าพ่อถ้าไม่ฆ่าเขาเราจะพ่อตายเลยส่วนมากคนเป็นเจ้าพ่อยากนักนะน้อยนักที่จะ ที่จะป่วยตาย น, นะ <laughs> คนก็อยากเป็นยังไงใช่ไหมอยากมีกิเลสเยอะๆคนที่มีกิเลสเยอะๆเนี่ยนะมีอำนาจวาสนาเนี่ยนะ ้าไม่โหดลายมันจะได้เป็ี่นล่ะฮะถ้าอย่างลุงซานี่จะได้เป็นไหมล่ะฮะแม้จะเป็นเจ้ า, าวาดก็ตามถึงมาบวชก็ตามส ก, กิลเ็อยู่ในหัวใจของคนคนนั้นในสมณะรูปนั้นเขาไม่เรียกว่าสมณะหรอก ถ้าไม่มีความละอายใจนะไม่มีฮิริโอตาป ะ, ะอย่ามาพ่่มพูดเลยมันมีสีดำมันจะตัดใช่ไหมจริยธรรมคุณธรรมจะไม่มเกิดขึ้นเด็ดขาถ้าไม่มีศีล อ, อและพื้นฐานที่จริงคือความมัญญ่นใจอยู่ความมัญญ่นใจอยู่ เหมือนคนทั่วไปแล้วเนี่ยยาพระเนี้ยบอกว่าพระนี่โอ้โหที่ยามมตยาณไม่ดีอ่ะเทศไม่ดีขึ้นมนพูดกันยังเป็นหนุ่มยังเป็นเด็กอยู่นี่ยยังเป็นพระหนุผมผม่มๆเด็กเนี่ย ยังไม่มีมวิธีภาวะที่จะมาพูดถึงเรื่องธรรมะก็อายุเก้าสิบก่อนเก้าสิบกว่าขึ้นมั้งนะเขาจะเป็นพระอรหันต์เขาจึงจะให้เป็นนอนนั้นเขาไม่ให้เป็นนะธรามาอรหันต์ฮะมันก็เป็นเรื่องแปลกเาว่าพระเนี่ยนะ ทำลายศาสนาโยมนะทั้งที่ตัวเองด่าพระอยู่ไม่รู้เลยตัวเองอ่ะบอกนี่จะบอกพระว่าจงอยู่ในฮะเพราะทำยังไงอยู่ในสมณศ ร, รูปนะแต่โยมกลับไม่อยู่ในที่จ้างของตัวเองเห็นไหมตัวโยมกลับบรรดาพระอยู่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักสมณะตัศรูปว่าตัวเองเป็นอุบาสกฮะ หน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาคืออะไร่ฮะสมควรแล้วเลยจมาดาหรือเพื่เป็นสงสมมุติก็ตามฮะากก็พามบนว่ารักษาศาสานานาที่จากฐานะตัวเองยังไม่รู้เลยซ้ำไปเห็นไหมมันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาไปมาโยมันเป็นคน เจ้าของาศาสนาแล้วเลยฮะมีครั้ง น, นึไนะเมื่อยี่สิกว่าปีก่นอนลงตาเป็นเจ้าวาดวัดปากูดำนกรุ่ึกปศสี่สี่สิบสี่สองพันหร้สี่สิบสี่ ลู <c oughs> กตาเป็นเจ้าว่าก็อยู่กันไม่กี่องค์กต็แรกอยู่สองสามองค์นะก็ <c oughs> มีผู้ใหญ่บ้านนะเอ่ยชื่อไดเลยผู้ใหญ่ขานอนะ่าผู้ใหญ่ขาน พร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำเขาไม่ชอบพวกนี้นับถือนับถือผีคือเขาเขาเป็นคนไทยอยู่แต่ว่าเป็นเผ่าโซ่เขาเรียกโซ่นะไม่ใช่สวยนะเป็นโซ่พูดภาษาอ่าจจะเข้าถึงภาษาเขาเขามีภาษาประจำ ขเขาเขาประชมอ่าของที่เข า, อ ย, า, ยาอย่างพูดเตียอย่างเงี้ยคืแปลว่าเป็ดเตียแปลว่าเป็ดหมาเนี่ยเรียกว่าอจ่อเนี่ม ย, นยมาคล้ายๆกับโว่เนาะนะเลืกินยเยอะๆเจดอยเจดอยนะีถ้ากินเน่ยเจดรอยฮะลูกตาไปยอยู่นะ เขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบพระป่าสมไมนั้นป่ามันอย่างกันดานมากถกวากันดานมากเรียกว่าเป็นชาวขเขาไดเลยหละนะแต่เขาจะเอาเขาจะนับถือผู้ผู้นำเข้ามากในเผ่านั้นนะตำบลผังแดงผู้ใหญ่ผู้ใหญคาร์ท้าวา อ่าพวกเราเลโล ก, เ ร, กเรียกว่ามีอิทธิพลนะในในประจําเผาเขาเลยเขาก็จะพยายามจับผิดทุกอย่างเพื่อจะหาทางไล่หนีไล้พระออกจากป่านะเพราะว่าผลประโยชน์คือไม้เมื่อก่อนไม้มะค่าไม้ตะเคียนไม้กระดูเพราะป่านั้นุรวมสมบูรณ์มาก เขาก็จะไปหาหาลูกน้องไปตอนบ่ายสามทุกวันทุกวันไปที่ไรก็จะเห็นหลวงตาีนนั่งอยู่นั่งอยู่ปุตตะอ่าแล้วก็ฉันน้ำพรนะอีกัน 2-3 อ่มองแกก็ไปบ่ายสามทุกทีทุกทีนะ จนวันหนึ่งแกคนไม่ไหวแกก็เข้าไปนั่งกับอาจารย์ใช่ป่าทำไมไม่เห็นอาจารย์นั่งสมาธิไม่เห็นอาจารย์เดนจงกรมเลยมาที่ไรก็เห็นแต่นั่งสขนน้าปะน้าอยู่วะมัอ้าวแล้วเขาบอกภาพแบบนี้อ่ะอ่ะ มั น, ม, นมันไม่ไ ม, ไม่สมควรเป็นพระหรอกแกว่าพรนะต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ยต้องสวดมนต์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแกเราสาธยายไปอะนะแบบหมอหมอเลยแหละห้ตงตางก็ไปถือขันน้ำมาก็ไม่มีโกนนะตั้งไว้ข้างก็ฟังแกเทศสาธยายไป พระต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แกก็พูดว่าต้องเดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงอ่าต้องนั่งสมาธิอะไรประมาณเนี้ยจะมานั่งอยู่เนี้ยมาที่ไรก็เห็นจะนั่งฉันน้ำประนา้าโยอย่างเงี้ยไม่เห็นอ่าทําความเพียรไม่เห็นอะไรเลยแกพูดประมาณนี้ยอ่าพอแกพูดจบอ่ะนะลุงจางก็เลยถามวิบ้านวิบัง น, นะ พ่อใหบ้านมีเงินเดือนเท่าไหร่น ะ, ะอเงินเดือนสี่พันะแกบอกนะเนเดือนสี่พันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์เนี่ยจะจ่าย่วงหน้าเลยสามเดือนนะอ่าทำไมล่ะก็แกมาบวชแล้วทำอย่างที่แกพูดเนี่ย นี่ผู้ดิเอาขันน้ำมาจะโกนหัวไงม า, มามาจะโกนหัวให้บวชวันนี้แหละฮะบวชแล้วก็ทำอย่างที่ตาแกพูดฮะอยหลังเลยฮะง้นผจะหลังไปไหนมามาบวชเราบอกฮะไม่บวชผมไม่บวชไม่บวชแล้วแล้วทไมอยากให้พระองค์อื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แกเคยรูแกเคยบวชหรือเปล่านะ ก็เห็นจอาจารย์มานั่งตั้งแมาที่ไรก็เห็นมึงก็มาตอนบ่ายมกูก็ตอนบ่ายมก็พระนั่นฉันนั่งตอนะทำไมมึงไม่เวลาอื่นบ้างน่ะต้องคืนอย่างเงี้ยมึงมาไหมอ่ะเอาอย่างเงี้ยมึงมาบวชเนี่ยสาเดือนแล้วมึงมานั่งดูแล้วมึงทำเองด้วยมึงทำอย่างที่มึงพูดว่าพระต้องเดินจงกรมวันละกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมึงมาทำเอาเองแล้วเเดือนก็ให้อ่ะ ไม่บวดฮะแล้วไม่บ่อยมาพูดทำไมอ่ะฮะมม่รู้เป่ะหลักธรรมมันคืออะไรอ่ะฮะหลักธรที่แท้จริงความเป็นจริงเป็นสัจจะจริงเนี่ยมันก็คือกรรมฮะกรรมกรรมะหรือแปลว่าการกระทำฮะ มึงมึงมากระทำให้กูไ <t> ด้ห <t> รือเปล่าล่ะมึงทำความเพียรมึงทำไม่หรือเปล่าฮะมันก็ทำเอาใครเอามันจริงไทำบุญทำกุศลเนี่ยกูทำบาปกูไม่ทำอะไรกูก็บาปเองอ่ะกูไม่ได้แบ่งให้มึงเลยฮะทำไมมึงเมตตาจากกูวะกูกูก็เห็นมึงเมตตากูมากูก็จะบวชมึงเองไงฮะฮะ ไม่เอาขนาดให้บวชแค่สามเรือนมันยังไม่เอาเลยขนาดฐานะตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอุบาสอุบาสิกาคืออะไรกลับมามองจากพระเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันต้องมองด้วยความเป็นธรรมด้วยความมีสติกัญญาถ้าก็เอาคนทำนั้นมันต้องมีดีมีชั่วในสมุติฐานสูงมันไม่ใช่มีแต่สมัยนี้นะสมัยก่อนมันก็มีนั่นจะมีพระธรรมวินัยขึ้นมาไมฮะเพราะถ้าพร ะ, พระทำผิดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นเองโดยธรรมชาตินะโดยอัตโนมัติที่ตั้งกดขึ้นนะ พระองค์ไม่ได้ไปตั้งเอาความเห็นของตัวเองไปตั้งขึ้นนะพระธรรมวินัยนี่นอตอนใหม่ๆนี่ท่านก็ไม่มีพระธรรมวินัย น, นะตอนพะพุทธเจ้าจัดสรุอยู่คนเดียวไม่มีพระธรรมวินัย น, น ะ, ะ, ะ, ะยังไม่มีข้อมูลยาดสักข้อเลย สองร้ยสีเนี่ยที่ว่าพระธรรมวิ น, นัยสองร ย, ยงเจ็ดข้อเนี่ยยังไม่มีเลยจนพระเจ้าพระสงฆ์หมู่ใหญ่เกิดขึ้นกันพันหลายพันแล้วนะจนมีคนมาขอบวชเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทางคนแรกคือใครอ่ะฮะปาลชิกจะเกิดขึ้นเนี่ยสิงข้อหละก็อปอบาชิกสี่จะเกิดขึ้นเนี่ยทศภาสุทินจริงไหม พระจุินเนี่ไปนอนภรรยาฮะจนท้องเฮ้ยต้นบัญญัติของปาลทิศสี่เนี่ยคือพระจุิน แล้วก็มีสีอีกสี่ข้อเพิ่มขึ้นเห็นไหมมีรักทรัพย์มีค่าคนฮะประลเช็กสี่มีเต็มในศูนย์จริงไหมรักทรัพย์ฮะโวดอุตลีแล้วก็ค่าเช็นไหมอาณาจิบัาลมหาไม่อยู่รลวงก้าก็าจำได้แล้วก็สังคาพิเศษสิบสาม ใช่ไหมใครหรอเป็นคนสร้างสังคาศิษศิษ13สามด้วยหลายข้อพระองค์ไหนฮะพระอุท า, ายีฮ ะ, ะ, ะผู้หญิงที่สวยหน่มาวัดแกก็จับตูดเขาจับนมเขาจนผัวเขาไปฟ้องพุทธเจ้าก็ตั้งกดข้อห้ามบัญญัติขึ้นไม่ได้ตั้งขึ้นมาลยยลอยนะฮะไม่ใช่ชานาชอ ที่จะสั้งกฎหมายขึ้นมารอยๆถ้า ท, ทำยังไงไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยโดยโดยปัจจิกเหตุนะไม่เหมือนกฎหมายราจะธรรมนูนนะราจะธรรมนูนแค่ไปตกลงประชุมกันตกลงอ่ะมันไม่ไ็มีอะไรน ะ, ะเพราะมนุษย์ที่มีเกลเอไป ไปอะไรอ่ะไปจ้งกฎกติกามาฮะมันถึงมีปัญหาไงจริงถ้าคนมีศีลมีธรรมอ่ะก็กฎหมายนี่แหละคือศีลธรรมมันไม่เครารพศีลธรรมมันจะเคารพกฎหมายได้ยังไงอ่ะ เขาเคารพคนมีเงินนะ่ะเขาเคารพเงินในเมื่อเขาเคารพเงินเป็นพระเจ้าจริงไหมเขาจะไม่เคารพความเป็นคนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคนที่มีอํานาจก็คือคนมีเงินใครมีเงินมากคนนั้นก็จะมีอํานาจมากถ้าคนเคารพเงินนะเงินจะมีอิทธิพลต่อคนมาก เพราะงั้นคนจะทำทุกวิถีทางที่จะได้เงินมาก็าะจะมีอําอนาจวาทนาจริงไหมเขาไม่ได้ข้นขวายหาสินคาหาความสูกต้องนะอันนี้อยู่ในหลักของสินธรรมเลยนะคุณธรรมเลยนะธรรมะมันไม่ได้เกี่ยวกับพระเลยนะมันเกี่ยวกับคนหลวงตาเคยพูดบ่อยๆแล้วว่าคนนี่แหละคือชาสนานะ ไม่ใช่วัดไม่ใช่พระแม้แต่ความหมายคําว่าพระเนี่ยจริงจริงี่คือไม่ได้เกี่ยวกับนักบวชเลยนะคําว่าพระเนี่ยผู้รู้ทั้งหลายทุกวันนี้ก็พัม่มเพ้อพัม่มบน่นเยอะยมก็เป็นพระได้เห็นไหมแต่ลืมไปนึกว่าโอ้โหใส่เส้อเหลืองก็จะเป็นพระแล้วทีปากตัวเองก็พูดอยู่ยมก็บรรลุทําได้เป็นพระ โซดาบันเป็นผ้าอะไรได้ก็พูดอยู่เพราะฉะนั้นความหมายของคาว่าผ้าเนี่นอกจากโสดาบันที่ไปเรียกว่าผ้าฮะฮะไม่มีเพศไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเนี่ยเพราะว่าเป็นโลกุตระถึงจะเรียกว่าผ้าได้แม้แต่โสดาบันนี้ก็เป็นโลกุตระ แม้จะบวชมาเนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกสมมุติสงฆ์จับคนธรรมดามาโกนหัวแล้วเข้าโบวถทําพิธีกรรมทางสมมติสิ่งไหมออกมาก็เป็นสมมุติสงฆ์เป็นผู้บวชใหม่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะนวักกะเป็นสงฆ์บวชไหม เป็นสมมติสูงที่เกิดขึ้นมาอบวทมาพันศาแรกสองพันศาสามพันศาสี่พันาห้าพันศาพ้นออกจากห้าพันศาถึงจะพ้นออกจากนิสัยเขาเรียกพ้นนิสัยทาไมฉันเรียกพ้นนิสัยคือมันบวชอยู่ห้าปีอย่างเงี้ยก็จะพ้นนิสัยความเคยชินของความเป็นคารวะความเป็นบุตรชนความเป็นคนไง พ้าบวชมาไม่ใหม่เนี่ยภาษาแรกสองภาษาเนี่ยมันก็ยังติดนิสัยที่ความเคยชินที่เป็นเป็นคารวดนะจู่อ่ ะ, วออะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วพวกที่ลาสิกขาไปอ่ะรู้จักคำว่าสิขาไหมลาสิกขาไหม สิกขาเนี่ยเป็นบาลีสิกขาเนี่ยสิกขาเนี่ยสิกขาเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ทำไมัยพุัดการไคราสิกขาเนี่ยน่าเกลียด ม, มากเป็นคนที่อ่อนแอแบบหน่าสงสารมากเป็นคนที่ไม่สู้ถอยอ่ะพ้ายแพ้ถ้าเป็นบาลีเนี่ยเขาเรียกสิกขา ถ้าเป็นสันตะกเกียกเรียกศึกเห็นไหมศึกหลอใช้ไม่ได้ถ้าความหมายเก่งๆอะ่ะให้ศึกเนี่ยเอาผ้าเนี่ยมาบวชแล้วศึกเนี่ยเขาเรียกศึกหลอถ้าเป็นบาลีศิขาเนี่ยแต่แต่ผู้ภ่ายแพ้ฮะยอมยอมแนละ้ว มันเป็นเรื่องของภาษาบาลีเ ป, เป็นภาษาของมคตของชาวอินเดียของแควนมคตหรือของภาคถ้าคมคตหรือภาคอีสานเราอย่างเงี้ยภาคใต้อย่างเงี้ยในะภาษามันจะต่างกนันประเทศไงภาคเหนือนอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่ใช่ประเทศมคธมันเป็นแควนหนึ่งเป็นจังหวัดนึงเป็นภาคหนึ่ง มันเพิ่มมันเป็นภาษาท้องถิ่นนะแค่จะพูดถึงเรื่องภาษาแม้จะคำว่าสุขาเห็นไถ้าสุขาเนี่ยไม่ใช่บาลีนะเป็นภาษาไทยที่ที่ดัดแปลงจากบาลีเป็นสุขาสุขาเห็นหใส่สระอาสระอาไม่มีนะภาษาบาลีแต่คนไทยเนี่ยนะ เอาสาระอามาใส่ก็เป็นสุขาแปลว่าสุเห็นไหมห้องปดทุกอะทุกหนักทุกเบาร้อนอยังไงไปอาบน้ำห้องสุขาเนี่ยหรือซ่วมเนี่ยโอ้โหละเนี่ยห้องปดทุกเห็นไหมแล้วใช้ภาษาบาลีเนี่ยมันเครียดหนนะแรรม้จะคำวิเศษเนี่ยเห็นไหม วิเศษเนี่แปลว่าไม่เหมือนเพื่อนแปลกกับเพื่อนวิเศษเนี่ยอย่างคูบายยงีวิเศษกว่าเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะสูงกว่าเขา สมัยก่อนนันนะก่อนเราก่อนก่อนก่อนพระเจ้าจะจะจะรู้เนี่เรื่องนิพานเนี่ยมันมีก่อนมาก่อนนั้นนะเรื่องอภิธรรมเนี่ยมีมาก่อนนั้นอีกแต่เป็นอภิธรรมของคนป่าบัณฑิตสมัยก่อนรัตถิก่อนส้ำนักก่อนที่จะฝึกลูกศิษย์ขึ้นมาคือฝึกให้ทุกศิษย์เนี่ยมีฝึกเขาเรียกปรัชยาค่ะ พวกนี้จะไปฝึกโมหารฝึกใช้สติปัญญาเพื่อจะไปแข่งขันกันเป็นนักคิดนักปรัชญาสมัยก่อแล้วก็เอามาแ า, า่แล้วทัพนักก็ส่งลูกศิษย์มาแข่งกันตอบคำถามกันเมือเขาเรียกว่าเวทละนะเวทละ หรือพวกเราเรียกมีเบรดอะไะทุกวันเนี้ฮะก็ว่าทีกันนี่ก็ใช่เห็นไหมแต่ภาษาสมัยก่อนเขาเรียกเวทันละนะถ้าใครเก่งทั้งตอบปัญหาทั้งปรัชญาชเฉลียวฉลาดเนี่ยเห็นไหมก็ถือว่าโอ้โหเป็นปราเป็นบันดิต เข่งขันมีชื่อเสียงเทียสิยศพูดถึงเด็กวิ่เล่นยังพูดถึงเรื่องนิพพานเรื่องพระอราหันได้เลยสมัยพุสการคือพระอราหันเนี่ยอยู่ใกล้คนที่สุดอคำว่าพระอราหันเนี่ไม่ได้วิเศษวิโสเหมือนสมัยนี้เลยไม่ได้อยู่มันนี่เป็นเรื่องยากเลยชาวบ้านจะทําะไรทํานา ย, ยังพูดถึงเรื่องพระอราหันได้เลย พระราหันเลยอยู่ใกล้ใจมนุษย์มากสมัยก่อนฮะแต่กอนนี้โอ้ยต้องตอนนี้พระราหันต้องเป็นหลวงปู่แล้วเนี่ยยากเหลือ เ, เกินทำยากเหลือเกินทำไม่ทําเป็นพระราหันเลยฮ ะ, ะมันอะไรกันเกิดขึ้น เพราะขาดหลักของเกจณาตาแรกพวกที่มาบวชนี่คือบวชจามาเพรียพวกที่มาบวชต้องบวชวางพ้นทุกข์จริงเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้ถ้ามาบวชเนี่ยคุณตรงตรงนะไม่ใช่มาบวชแล้วภาษาเยอะๆเขออาจะเป็นพระอรหันต์อย่งสมัยเนี้ย สมัยก่อนเนี่สมัยพุทธกาลเนี่ยโยมมรรู้ธรรมแล้วขอบวชโยมมรรู้ธรรมแล้วขอบวชเห็นไหมมันอยู่ตั้งแต่อยู่ให้กับชาวบ้านเลยคําว่าอรหัตผลเนี่ยต่างคนต่างมุ่ ง, งคําว่าอรหัตผลพ้นออกจากทุกข์พ้นออกจากอสุวะไม่ใช่มาบวชเป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะอําเภอจจ้าคณะตำบลเป็นเจ้า อ, อ, า, า, า, อาวาส มีชื่อเสียงไม่ใช่บวชสมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยโอยอยู่บ้านมารู้ทรรมตั้งแต่เป็นโยนนัดค่อยมาขอบวชทั้งนั้นบวชอยากได้บุญอยากได้สวรรค์เพราะพระอรหันต์ที่มันยากเกินห่างไกลเกินต้องใส่รถเข็นเป็นหลวงปู่แล้วน่ะผมว่าหอบเกินไม่ได้แล้วน่ะ เขาจะเป็นพระรหันต้องอายุเก้าสิบพรรษาต้องหกสิบเจ็ดสิบถึค่อยเป็นพระรหันมันทําไมยากขนาดนั้นต้องแก่เลยเหรอถึงจะเป็นพระรหันฮะพอตายขึ้เราไปส่งมันเข้านิพพานว่าั้นไปส่งองค์ผู้นั้นเข้าสู่แดนนิพพานว่าั้นไปส่งทคนไดห้ห้วยแดนนิพพานน่ะมันเทียนจะไปหมดนะ อย่างนี้ภาหันต้องโอ้โหมีจะเข้าไปหาภาหารต้องมีบริการยังก็เข้าไปสูงวังอไม่รู้กี่การกี่การเนี่ยภาเรานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงตางเป็นภาหารง่ายหมดเลยถ้าใครปฏิบัติรีปฏิบัติชอบ เป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ไม่ได้ห่างไกลาจากจิตใจคนเลยพระพระอรหันต์น่ะคำว่าอรตะผลเกิดขึ้นที่จิตตรงนี้นะปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบมุ่งเข้าไปเลยน ะ, ะมีสติมีปัญญาแ ส, สางสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะไม่ใช่เป็นั่งจนดาาอ่าล่ามหรอก เดินจงขาขาดมันก็ไม่มีความหมายหรอกเขาไม่มีสติอ่ะอขึ้นมานั่งเลยเขาไม่ว่านั่งนะหรออย่าไปจอยแค่น ะ, ะ, ะนี่เพราะคำว่าอราหัตผลนี่เลยห่างไกลจากชาวพุทธเหลือเกินยากเหลือเกินหนุ่ตาครัเมื่อกี้หนุ่ตาบอกว่า การลาศิกขาคือการยอมอะค่ะยอมอะไรอะคะลหลวงตาลาศิกขานี่หมายถึงผู้แพ้แท้ลาศิกขาแพ้แพ้ใจตัวเองไงแพแพ้กิเลสตัณหาไงเป็นผู้สยบยอมไม่เอาแล้วฮะเหมือนนักมวยยอมแพ้ยกตรงเขาาเนี่ยพอขึ้นเวทียังไม่ครบยกห้าเลยอย่างเงี้ย ไปซะแล้วฮไม่ว่ามึงจะเป็นเ้าประโยค10สิประโยคอ่ะมาหาเนี่ยบวชมาแล้วไปกินเหล้าเช่นเหมือนกับคนธรรมดามันมีความหมายอะไรการบวชไม่ได้ทำให้นิสัยคนขัดเก้าขนาดนั้นเลยเหรอเห็นหแล้วจะมาถามทำไมอ่ะก็เห็นเห็นอยู่จริงไหม ก็ทยอยย้องนถกกิเลสไงกิเลสคืออะไรคืออารมณ์ความเพลิดเพลินความมีความเพลนความเป็นอาชาหนาวแ่นขึ้นมากเท่าไหร่นะไม่ต้องเป็นห่วงวอกเหมือนเหมือนหลงตาเนี่พูดโอ้หลงตาเนี่ยพูดว่าหยุดคิดอย่างเนี้ยพูดไม่ได้แต่หลวงปู่ดุลก็บอกหยุดคิดอย่างเนี้ยยุดปุงแจงหลวงปู่ไหนก็ตาม แต่ลงุงตาพูดเนี่ยโอ้ยหยุดคิดกันพูดได้ง่าต้องลงุงปูก่อนนะนาลุเอาลงุงปูดุนทำไมพูดได้ลงุงตาลุงปูดุนท่านเป็นพระละหันแล้วกูเป็นไม่ได้ยังไงฮะใครห้ามกูอ่ะใครเป็นลิกาิตธิละหันล่ะฮะเอาอะไรมาวัดอ่ะเอาภาษาใช่ไหม มันเป็นอย่างนั้นนะาวพูดเราเพราะงั้นหลวงตาเคยพูดอะไรพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่ า, าศาสนาเราจะเสื่อมเนี่ยฮะไม่ได้เกิดจากยินงฝากาศมมนได้เป็นเพราะาศาสนาอื่นไม่ได้เป็นเพราะสัตว์อื่นหลอกนะเป็นเพราะสัตว์รำปฏิรูปที่มันเสื่อมเนี่ยเห็น ไ, ไหมเดยนี้มันปฏิรูปมันเอาความเห็นของตัวเองมาใส โดยไม่รู้จักคำนึงถึงฐานะอาฐานะตัวเองเลยอย่างเนี้ยความเป็นอรหันต์สืบพายากันยังกับอะไรนะยังกับเขียนพินัยกรรมไว้ให้กันเลยเนี่ยถ้าหลวงตาตายเป็นคนเป็นรองจากหลวงตาก็เป็นแทนไงนที่ภาษาเยอะๆนะเป็นพระอรหันต์แทนหลวงปู่ไจริงไหมเอาอย่างี้ ยกตัว อ, อย่างอย่างลุกลูกปู่อะไรก็ตามไปเจ้าว่านที่ว่าเป็นพระอรหนคนนับถือเยอะอพอตายไปอย่างเงี้ยคนเป็นลองอ่ะขึ้นมาเป็นพระอรหันแทนคือมันตลกมันน่าสลดสังเว้ยะนี่มันเสื่อมเพราะอย่างนงี้เสื่อมเพราะขาดสติขาดปัญญา ฮึนะื่าคนนี้ก็มีอ่าเจ้าของช่อง tiktok มัน tiktok สามอาที่กระดูกเป็นธาตุเป็นธาตราหารใช่ไหมประมาณเนี้ลองจาก็ไม่รู้ว่ะนะ ไม่เคยกระดูกเป็นพระธาตนะนะไม่เคยแล้วก็ไม่เคยรู้จักพระอรหันต์แบบนั้นแต่ครูบาอาจารย์เขาพูดนะนหลายองค์เขาพูดว่าเวลาตายแล้วไม่เผากลูกเป็นพระธานุอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอรหันตผลเป็นพระอรหันต์ร่องนี้ต้องวัดกันที่เป็นพระ่านที่เป็นพระอรหันตริงไหมตายแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นอรหันตเผากันแล้ว เพต้องไปดูกระดูกแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ตายแล้วไปเข้านิพพานนะนิพพานนที่จริงไม่ได้เข้าหรอกอแต่มันเป็นภาษาคนเป็นโวหารว่าเข้านิพพานดี๋ยวนี้โอ้ไปเผาไปส่งหลวงปู่เข้าสุดแดนนิพพาน เข้าไปได้เลยลุงปู่ไหนก็ฮะนี่พางเนี่ยเป็นประตูลอดเข้าไงมันเข้าได้ผิดเขรามานนี่างฮะนี่พางแปลว่าดับแปลว่ายินอ้าว มีเลำถามมาเถอะมีคาถามจากคุณลักสิกานะคะกับนมั ส, ส ก, การ์คาหลวงตาวันนี้มีคำถามค่ะอยากถามหลวงตาว่าเราจะขจัดความกลัวได้อย่างไรบ้างเจ้าคะออยากจขจัดความกลัวเขาเริ่กลัวไงยอมรับมันะ่ะทำมันเชื่อเรื่องกรรมจริงไหมเหมือนลงุงตาเมื่อก่อนในบทนใหม่ๆกลัวมากกลัวพี่หลอกกลัวสารพัดพอไปอยู่ถ้ำเนี่ยถ้านบเนี่ย ขึ้ไปอยู่เลือนจากตีนเขาขึ้นไปข่ามเส้หลงตาไปอยู่ในเป็นสามกิโลเลยนะอยู่คนเดียวเนะกลัวมากแต่เพราะความกลัวเนี่ยมะทําไงกูจะหายไปเผชิญเลยสนามจริงเดี๋ยวนี้นักรบมันไม่เข้าสู่สนามรบมันมีแต่เป็นทฤษฎีท ห, หารทุกวันนี้มันไม่มีสงครามก็เลยไม่ได้รบจริงไหม มันลบทางการเมืองกันเ น, น, นี้ยท่านาไม่ออกายะหายกลัวก็ต้องเข้าสู่สนาม ท, ที่กลัวพราะความไม่รู้ถ้ารู้มันจะไม่กลัวหรอกหลวงตาเนี่กลัวที่สุดกลัวผีที่สุดในโลก พอไปนั่งอยู่เนี่ยอยู่ในถ้ำในป่าพอมือดลงมาเนี่ยไม่รู้งูไม่รู้สัตว์ร้ายไม่รู้ว่าผีสางเชกวาดาที่เคยได้ยินมาฮะโอ้โหมันทุกข์เหลือเกินพอตะวันจะตกดีเนี่ยอยู่คนเดียวบนป่าถ้ำป่าใหญ่ๆยยนะมันน่าสยดถยองมากก่อน น, นก็เลยเห็นความกลัวของตัวเองเห็นใจตัวเองหวาดกลัวมาก แต่เพระมีศีลทำไงมีศีลในใจบอกเอ้ยกูมีศีลเนี่ยศีลนี่เป็นเครื่องป้องกันวางนันฮะแต่เพื่อป้องกันยังไงก็กลัวอยู่ดีฮะแต่พอมีสติปัญญาขึ้นโอ้เราเชื่อเรื่องกรรมวางสลยกรรมถ้าไม่มีกรรมอยู่ยังไงก็ไม่จ่ายใครฆ่าเขาไม่จ่ายไม่มีใครมาฆ่าหรอกถ้าไม่ได้สร้างกรรมพอวางลงใส่กรรมแค่นั้นแะ่ะมันหายกลัวเป็นติดทิ้งเลยฮะ เอาเลยมากัดกินซะผีเอ้ใช่ว่าเอ้มาเอาพระองค์นี้ไปซ ะ, ะขนาดนั้นเลยนะท่านใจมันหายกลัวแล้วนะไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วกลัวจนพร้อมหมดแล้ะน ะ, ะจนบอกว่าเอาผีเอ้มาหลอกซะทีเนี้ยมึงมีหน้าที่หลอกกูมีหน้าที่จะนอนแล้วแ่ ะ, ะก็เลยเือว่ามันเป็นหน้าที่ของมัน พอวางใส่กรรมตัวนี้แล้วมันหายมันติดทิ้งเลยไม่กลัวเลยมาเอาชีวิตไปได้เลยนะเป็นยังไงแต่มันต้องจนมุมนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปคิดให้มันหายกลัวนะฮ ะ, ะนักรบต้องมีบาดแผลหรือว่านักรบที่แท้จริงอันนี้อะไรแห น, นักรบนั่งอยู่ในห้องแอรฮะจริงไหม นิกแปะเคยออกลบท์ไหมเนีย่ยเห็นไหมอย่างผู้พันสมบัติอ่ะใช่ไหมเป็นทหารน่ะนะที่ที่หัวบุบไม่ใช่ไปโดนคุนโดนระเบิดนั่นอ่ะโดนหมอผ่าตัดเส้นเลือกในสมองแตกว่าเพราะมันคิดมากไม่ใช่เข้าสู่สงครามนะทหารน่ะ คำถามจากคุณชัยเดชนะคะหลวงตาเรียนถามครับเมื่อก่อนผมเป็นคนหลับยากผมเลยติดก่อนนอนต้องนั่งทําสมาธิทุกวันนี้นั่งสมาธิหลับตลอดจะแก้ไขยังไงครับโอ้โมึงแก้ไขตอนนั้นมึงอยากนอนตอนนี้มึงอยากนอนไม่หลับพอมานั่งสมาธิหละ่ะทีนี้อยากอยากไม่หลับอีกแล้วเ <laughs> <laughs> นี่แหละมันเป็นเรื่องยาก <laughs> มันไม่มีความพอดีเลยเห็นไหมเข้าใจ ไ, ไหม ที่หลวงจามองเนี่ยไม่ได้ไมองเพื่อว่าเป็นนักบวชเป็นอะไรนะเห็นธรรมะไม่ได้เห็นอย่าง ones. อื่นนะเห็นความไม่จริงอ่ะเห็นความจริงคือเห็นความไม่จริงความไม่จริงก็คือนี่แหละใจตอนนั้นมันอยากกลับใช่ไหมแต่ตอนนี้มันอยากตื่นอีกแล้วเห็นไมมันมันมันใจมันไม่มีความพอดียไงไม่ตั้งมั่นมันเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละของปัญหาที่ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่นะฮะ อยากนอนก็นอนสินอนเลยนอนนะมันเอามันัเอามึงมึงมึงอยากตื่นนะบอกมันมันก็ตื่นอยู่ดินันแหละท่าเห็นอย่างนั้นทุกข์กข็ตามสุกขก็ตามเป็นแค่อารมณ์เป็นแค่เวทนาอนแม้แต่อุเบกขาที่ว่าอุเบกขาสําหรับปุถุชนคนะําว่าอสุกขะมอสุขะนี่คือวางเฉย อ, อยู่ก็ไม่เที่ยง เห็นไหมเวทนามีสามมีสุขมีทุกข์สุขเวทนาทุกข์ทุกขเวทนานะไม่สุขไม่ทุกขก็เป็นเวทนาเห็นไหมพวกนี้ก็ไม่เทียงอะมันเป็นแค่อารมณ์เหมือนความส ง, งบเนี้ยโอ๊ยนั่งเลยเห็นส ง, งบมากดีมากฮะใครละส ง, งบใครละเป็นคนเห็นฮะเคยเคยเห็นหรือป่าว่าใครละเป็นผู้ส ง, งบ แม้แต่ความสงบนี่มันก็ไม่เที่ยงมสงบแบบอารมณ์แบบนั้นน่ะคำถามนะคะจากคุณอยากใหญ่ใครต้องเสร็จนะคะกับนวัส ก, การครับอยากถามว่าการที่เคยได้บทและทำผิดวินัยส่งร้ายแรงเช่นสังคาทิเศษหรือประชิดด้วยความโง่เขลาเพราะขาดการศึกษาเล่าเรียน พอแก่มาได้ยินได้ฟังมามากทราบถึงพระธรรมผู้นั้นสามารถบรรลุธรรมหรือมีสวรรคเป็นเบื้องหน้าได้ไหมครับสำหับ ก, การพิเศษเนี่ยมันยังรักษาได้อยู่นะถ้าพูดถึงตามหลักธรรมนี่ไงเนาะอ่ะเนี่ยมันจะปลดออกจากใจได้ไหมไอ้ตัวสัญญาตัวนี้น ะ, ะทั้งพลาชิกสีเนี่ยหมายถึงถ้าเปลี่ยนเหมือนอุปมาเหมือนคนป่วยน ะ, นะ ถ้า paralysis หมายถึงตายแล้วที่จะไปเผา paralysis นะแก้ไขไม่ได้เพราะมันตายแล้วอ่ะตายจากความเป็นพระแล้วไม่มีความสามารถที่จะบรรลุธรามได้เนี่ยอย่างสังคาพิเศษเนี่ยหมายถึงผ่าตัดแลวป่วยหนักมากเข้าใจไหมาอ่าสังคาพิเศษเนี่ยสิบสามเนี่ย สิบสามข้อเนี่ยต้องเข้าปริวาสกรรมคําว่าปริวาสอยู่ปริวาสคือทาโทษอย่างนักสมมุติว่าเอาจะสมมุติใครอว่ามีแปะก่ะเอามีแปะอยู่นะมีแปะเนี่ยชักแวาทําน้ํามาสติเคลื่อนหรือบ้านเรียกบ้านเราเรียกช่วยตัวเองหรือชักแวาเอาชักมากี่วันน่ะ ลิแปะมาสารภาพกับครูบาอาจารย์จะส่งว่าผมทำผิดสังฆาทิเศษผมชักว่าแล้วก็จะจำว่าลิแปะพาคฆ่าวันไหนอะโอ้ยผมทำมาเลยอาทิตย์หนึ่งได้เจ็ดวันแล้วโ้ยงั้นต้องอยู่ปริว่านปริว่าสการรมเนี่ยไม่ใช่ปริว่าสแบบสมัยนี่นะปริว่าสสมัยนี้ไปกินข้าวต้มจัดหาเ ง, งินะ บริวารนี่มิตรแพทย์ต้องอยู่บริวารคนเดียวคือทำปิดคนเดียวต้องอยู่บริวารคือบวกสองเข้าไปเป็นยี่สิบเอ็ดวันทั้เจ็ดวันถ้าปิดบังมาเจ็ดวันนะตั้งแต่เริ่มต้นฮ ะ, ะก็สงคือต้องอยู่แบบทำโทษอย่างหนข้ามรับปตกเอนของห้ามสงคุยด้วยเอ๋อถ้ามีสงฆ์ขันธุ ก, กรมามิตรแพทย์ตกไปรายงานตัวละผมชักว่าวครับ ผมทำปิดภาพผมเกตดลาบครับฮะต้งรายงานตัวคือประจามตัวเองให้มันเกตดมันลาบอะ่ะนั่นคือไปว่าแคพอครบยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยน ะ, ะปิดมาเจ็ดบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดพอครบย1สิบเอ็ดวันคณะสงฆ์ต้องไปเชิญมายี่สิบองค์เขาเรียกมาประชุมกันว่าจะรับเข้าสู่อ่ะ คณะสงฆ์อีกไหมคือสวดอภิธานนั่ น, นแหละเดีที่จริงก็คือประชุมกันว่าเออจะเอาเข้ามาร่วมสังฆกรรมไหมอย่างเงี้ยท่านสารภาพแล้วนะติดคุกพ้นโทษออกมาแล้วอย่างเงี้ยสงฆ์ก็รับรองอ่เออต่อพยายารรมทำอาไม่ทำอีกแล้วเข้ามาน่นเรียกว่าปริว่านั่นคือรักษาหายผ่าตัดแล้วคือพูดง่าย รักษาหายจากโรคนี่นี่คือสังขารพิเศษส่วนอา บ, าบาัติปาจิตีหรือทุกข์กฎต่างๆนะแค่อ า, าแสดงความรื่บอกบริสุทธิ์ตอนจะลงอุโบสถก็ถือว่าจบเห็นไหมไม่ต้องเขอาบริวาคือพวกนั้นก็เหมือนเป็นวัดอะไรเข้าใจไหมป <c oughs> าจิตีทุกข์กฎต่างๆนะครับอก็เหมือนกับเป็นหวัน กินยา น, นิดหน่อยก็หายละฮะเห็นไหมแต่สังคาพิเศษนี่ต้องเข้าห้อง ICU เลยแหละผ่าตัดนะนั่นแหละความหมายสามารถบรรลุทำได้คำถามจากคุณปังปอนนะคะากาบหลวงตาครับผมฝึกลมแล้วเจอความรู้สึกในตัวที่กำหนดลงไปแล้วเห็นความคิดกับอารมณ์จางๆลง ผมควรฝึกกำหนดลงไปที่ความรู้สึกตรงนี้ต่อไหมครับไม่ ด, ดูกลับมารูลมเลยอยู่ที่ฐานเลยนะอย่าไปตามเห็นนะอย่าไปตามพวกนั้นอย่าเข้าไปเป็ น, นอิจฉาะทิ้งเลยทิ้งอาการทุกอย่างแค่รับรู้อ่ะนะอย่าเข้าไปยุ่งกลับมาอยู่ลมเลยอยู่กับลมเลยคืออยู่กับฐานเลยเอาสติมาแน่ฐาน แล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความมันเป็นแค่อารมณ์แม้แต่ความเปลี่ยนแปลงเป็นโน่นเป็นนี่นะ <hguru> แม้แต่ฌานเนี่ยก็จะไปเอาเห็นอยู่มีอยู่ให้เฉยอย่าเข้าไปเป็นว่ากูเข้าฌานเป็นฌา น, นแค่มาอยู่อารมณคื อ, ม, ม, อ ม, มีแต่ตัวดีแม้แต่ลามเนี่ยแม้แต่ตัวรู้เนี่ยก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทุกอย่างเป็นอนัตตาทั้งหมดเราก็จะเห็นความเป็นจริงแม้แต่ตัวเราก็จะไม่เกิดขึ้นอีก ถ้ามีสติอยู่กับลมทุกอย่างจะเห็นความไม่เชื่องเป็นอนิจจังทุกขังอนัจจาทั้งหมดเป็นใจแล้วทั้งหมดแม้แต่อาการของความสงบก็ตามค่ะคุณมงคลนะคะ บ, บอกว่าหลวงพ่อครับใช่ไหมครับอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือโอ้ยนั่นเป็นวลีของจีนของจอมยุทธ มึงจะไปเอามาทำไมรูกเสืองัน้นอยากพ้นนรกมันก็ตรงนรกสิแค่อยากเข้าใจผิดว่าฆ่าอะไรจะไปเป็นเหรอนะฆ่าไก่ก็จะไเปเกิดเป็นไก่อย่นัน้ไม่ใช่นะฆ่าเป็ดก็จะไปเกิดเป็นเป็ดไม่ใช่นะั้นมึงฆ่าผ้าหาันอมึงจะได้สวผ้าหั่นฮะฮะใครเป็นผ้าหั่นปาดชอเลยนะ ค่ะคำถามคุณฟีเตอร์นะคะเราทิ้งความโกรธไปแล้วอะไรคือความหมายครับอะไรนะเราทิ้งความโกรธไปแล้วอะไรคือความหมายครับอ <c oughs> ทิ้งความโกรธความโกรธความกรมันเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นแค่อารมณ์ฮะจะไปทิ้งมันได้ยังไงเดี๋ยวมันก็โกรดอีกอะเนี่ยมีคนถามเมื่อคืนเนี่ยพระอรหันต์มีความโกรธไหมทาไมจะไม่โกรธเพราพระอรหันต์ก็เป็นคนนี่จริงไหม ยังหิวยังร้อนเป็นอยู่ยังหนาวเป็นอยู่จริงไมหมไอ้ท่านไม้เนี่ยอะแต่ท่าไม่มีเจ้าของความโกรธแค่นั้นแหละฮะพระหลานป่วยไม่เป็นไงได้ไม่เป็นไงถ้าเอาร่างกายเป็นพระหลานเนี่ยไม่ใช่นะจิตต่งางนี่เป็นอนัตตาฮะแต่ร่างกายก็เป็นแค่ อะไรเป็นแค่ขันห้าฮะไมใ่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเดี๋ยวก็เสื่อมสลายไปแต่จิตใจเนี่ยเข้าไปสู่ความเป็นพุทธะต่างหาฮะเนี่ยเําเข้าไปสู่อรตัตะผลนะฮะมันเอาร่างกายแล้วเข้าไปมันจะอโอ้โหนี่มันถุงหนังไถ่ขี้จริงไหมทุกวันนี้มันก็มองจากภายนอกอ่ะโอ้โหสวยเหลือเกิ น, นยังไงอะ ที่สวยก็ลองตายไปเอาไปานอนด้วย ห, หรือเปล่าเอาไหมลนะ่ะฮะไม่เห็นข่าวไหมวนะฮะเดีย๋ยวว่าจต่ยโยมถ้ามาบวชก็ตามแล้วยังมีกิน อ, อยู่อ่ะก็พงจะโทษใจ้คันนะฮะได้กระถินสักสองร้อล้านก็เป็นาละหันแล้วนะตอ น, น, นฮะ ร้างวัดอีกเยอะจุดโ้คนไปนเที่ยวโอ้โหนั่นคือความเป็นอ้านอาหารของสมัยฮะอย่างนั้นเมื่ยไงบ่งบอกความเป็นลหัตผลว่าจิตใจส่งหาที่เป็นล้านผลไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นอย่าเอาวัตถุเป็นศาสนาฮะวัตถุเป็นเพียงฮะวัตถุนะไม่ใช่จิตนะจิตตัางหาก เข้าถึงใจเข้าถึงธรรมธรรมะก็คือใจใจเนี่ยไม่มีรูปไม่มีนามมันจะเป็นอะไรเป็นแค่อาการจิตก็คือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยถูงไหมถ้าควบคุมความรู้สึกนึกคิดหรือควบคุมจิตไม่ได้นะไม่มีคางที่มีจะสงบความสงบแห่งจิตนี่สงบจากความคิดเนี่ยถ้าคิดอยู่มันไม่สงบหรอก ไปนั่งอยู่ไปนั่งอยู่ท้ำอ่ะคนเดียวมันจะอยู่กับถ้ำกับมึงไหมล่ะฮะทรงจิตออกนอกธรรมชาตอ่ะฮะมันไปถึงไหนไปกรุงเทพอ่ะไปอยู่กับดารานรือมั้งฮะฮะนั่งหับตาอยู่มันไปถึงไหนแล้วครูบาฮะมันไปถึงไหนล่ะมันไปรอบโลกแล้วฮะ มันไม่ได้บวชกันเลยนะความคิดนี่นะเห็นไมเหมือนคนดูอะไรนะดูอะไรนะหมอกระแสตาบวมไปตอนนั้นข่าวน้องเต็งโมงกูว่าคนเป็นบ้าประสาทไปหลายคนแล้วอะจริงไหมเพราะอะไรลนะ่ะเพราะเขากำหนดแล้วว่าความตายของคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราอะไรนะมันมีความสำคัญเหลือเกินคนอื่นตายไม่สำคัญ เน่ชาวบ้านตายเผากันเวละสามศพมันยังไม่มีข่าวเลยฮะจริงไหมแต่พอน้องเก่งโมตายอ่ะไม่รู้ตายยังไงด้วยซ้ำนะไม่รู้ตกเรือตายหรือไงเอาไปเอามาไม่รู้เป็นยังไงเห็นไหมเมืองไทยโอ้เก่งเลยเกิหลายพวกสืบสวนก่อนฮะอดีแค่ฮะฮะ อคำถามพิษแพ้ที่เป็นตารวจสืบสวนเก่งเหลือเกินอพอจะเอาอะไรหลักฐานมาอ่าอะไรนะไมบทันเลยอย่างนี้ไม่ทันเลยกับหลุดอยู่ดีๆหลุดตอนนั้นเลยฮะโอ้เหมืองไทยเลยนะเมืองไทยที่เป็นเมืองอัจฉรยะนะฮะจริงอืมบ้างทีก็ เฮลินก็กลายเป็นแป้งมันมีความอัจฉรยะมากเมืองไทยเนี่ยโอ้มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจริงนะฝลั่ยังงงเลยนะทาไมเมืองไทยเนี่ยโอ้ยต้นไม้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะจ้าปวกก็ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยว่าถามคนทำไมคนไทยมีความศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยคนไทยเราบอกโอ้ในเมืองไทยเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์ทุกอย่าง ยกเว้นกนหม่จริงไหมอันนี้คือความเป็นจริงฮะเล่นแากกันเดยวเนี้ยจะไม่ออกข่าวหรอกเพราะมันขายข่าวไม่ได้ไงไ่ไปได่มา โอ้ดีเลือเกินในสามสิล้านตายไปเถอะลูกเอ้ยแม่รักลูกเหลือเกินอะไรเงี้ยเห็นไหมดีไหฮะเป็นไงล่ะถ้าดูแลฮะตอนนั้นแทบประสาทนะยังกัมีแพนด้าพวกดูข่าวไม่ได้หลับไปนอนกินไม่ได้เลยผอมไปหลายกิโลนะ แล้วตายก็ เ, เรื่องธรรมดานะใครตายก็เหมือนกันแหละนะเรพูดถึงเรื่องความตายของในศาสนารจริงไหมโอ้ยตายเนี่ยยิ่ง ก, กว่าสงคารามอีกตอนสงคารานมะเนไหเจ็ดวันอันตรายนะหเห็นไหมโอ้เขาลบกั น, นยังตายแค่สงคำศพเองนะถือว่าดูเดือดมากนะเอาปืนยิงกันแตสงคารามใ็ดร้อยศพอย่างเงี้ย กว่าจะมีสงการบ่อยๆก็ดีนะประชากรมันจะลดลงมั่งเนี่ยคนเรามันลืมอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วแล้วไหนล่ะมีคุณธรรมจริยธรรมจริงๆเ่ะอ่าอ่าจริงไหมโอ้ยนะ ถ้าบางองเนี้ยโอ้เนี่ยอยู่วันเราเนี่ยดูข่าวนักแจงโมูกูว่าตอนเนี้ยยังไม่ตืนก็มี <laughs> ไม่รู้เกี่ยวอะไรเขาก็ไม่รู้ไปกับเขาโมโหไปกับเขาด้วยนะได้เสียกับเขาเลยนหมอนน่นนะดูข่าว <laughs> บางคนโมโหทิ้งโทรศัพท์ไปนะฮะ <laughs> ใช่ไหมตอนแรกทุบ ก, กะติกัน <laughs> ูว่ากระติกติดโอ้โหเขาขายได้ดีเลยนะพวกโรงงานพลสติกับ <laughs> ทุกระติกันใหญ่เลยนะที่เกไหม่อะไรเนี่ยโซเชียลแต่ตอนนี้นะกติ ก, กับกับไม่มีความกับกับกับไม่เป็นไรนะตอนนี้จะหันไปทุบอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยฮะจริงไหมกติกอ่ะนะแต่คุณแม่ชื่อจิ๋มตอนนี้จะทุบอะไรแล้เนะี่ยฮ ะ, ะนี่สิกูเป็นห่วงเงาไหมล่ะตอนแรกเกียดกติทุบกระติะ ต, ตอนเนี้ย คุณแม่น้องแกมูชื่อกิ๋มวะตอนนี้มึงต้องทุบกิ๋มแล้วล่ะนี่มันกานกระแสเวียงไปเขาเวียงมาไม่มีความตั้งมั่นเลยไม่มีสติปัญญาฮะโอ้ย น, ะ, นะเมืองไทยนี่มีเมืองอัศจรรย์มากฮะเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรา ทำไมชาตอื่นเขาไม่มีอย่างนี้หรอกจริงไหมอ่ะเมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธนะอย่างข้ากันยังก็ผักบารมันจะให้จะทานเนี่ยรกษาอยู่เนี่ยมันไม่ต้องอบางคนต่อยท่าจะถล่มาักอ้ดทีผู้ใหญ่บ้านยังก็ดังเลยอูอย้อะไรกันตั้งหนายเลยนะไปไหมอ่าเนี่ยเมืองเมืองอะไร่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเมืองพูดเมืองอะไรเลยเกี่ยวกับบุคลากรบุคคลฮะถ้าบุคคลไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าไปนับถือเอาสุดใจจุดหนึ่งเหมือนกับเราเขาล้ ม, มเงินเป็นพระเจ้าเงินเป็นใหญ่เป็นมนีอำนาจไม่มีทางล้มตาเคยพูดเลยนะถึงฝลผลจะตกเป็นเม็ดเม็ดผลเนี่ยจะเป็นทองคำทุกเม็ดก็ไม่ทําให้ความสุขของมนุษย์เกิดขึ้นได้ถ้าใจขาดศีลขาดธรรม ไปจับเป็นจิตใจที่แห้งแรงฮะฮะจริงไหมโอ้กูพูดมาไม่เยอะเกินแล้วเนรับโอ้โหมีคนดูนห่ผมว่าสองร้อยกว่าค่ะสองร้อาตอนนี้มันกระแสน้นอเแ็งโมเขาคงไม่มีขยานดูแล้วโมโหต้องมาดูพระแล้วตอนอันหน้าเข้าวัดแล้วทำใจวนะ่า ่จริงมันไม่ต้องไปดูหรอกะจันไว้มันก็เป็นของของของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปจริงหมนะจิงจังไปได้ออโอ้โหลงงมเนี่ยนะว่าลงทุนไปงมคืว่าเหมือนเหมือนไอ้คนหนึ่งจกน้ำตายอยู่เนี่ยยูให้หลวง ทุกข้างบุติีล้มตาโอ้โ ห, โโหนะนักประดาน้ำทั้งเมืองบนนี่มางมตั้งแต่เช้าอะนะสามสี่ทุม่มยังไม่เจอศพไงฮะก็ไปเอาทู่มาจุดจนหมดวัดหนึ่งนะไปขอทู่เขามาจุดเพื่อจะหาศพนักประดาน้ำมาจุดทู่ก่อนจะไปหาศพต้องจุดทูกก่อนว่นนะได้ายาศาสตร์ทั้งหมดเลย ทีนี้ก็หายังไงก็ไม่เจอจนสีุ่้่งกว่ามาั้งญาติก็เลยพามาหาหลวงตาอยู่บนกุฏิเพราะว่ากุฏิหลวงตาอยู่ในน้ำอยู่ให้หลวงมันจกอยู่ตรงหน้ากุฏิฮะมากาบหลวงตาช่วยช่วยฮะอะไรไม่ใช่กูลงไปงมศพด้วยกูขนาดนักประดานามเขาเก่งขนาดนั้นยังงมไม่เจอล้วมจะให้ท่าไปงมอยู่หรอไม่ใช่ ตองการอ่าขอให้ช่วยอธิษฐานจิตให้พบศพด้วยวันไงโอ้โหนะกูเลยว่าเขาถามกูว่าแล้วจะบเจอศพไหมกูบอกโอ้ยพรุ่งนี้ก็เจอกูว่าฮะะพรุ่งนี้เจอฮะก็วันที่พรุ่งนี้ต่อไปใช้สายมาก็เจอศพเพราะมันมันมันลอยขึ้นมันขึ้นอื่นไง เขาบอกอู้อัศจรรย์มากหลวงพ่อรู้กูจะไม่รู้ยังไงมันตายไปวันหนึ่งแล้วมันต้องอยังไงมันก็ต้องลอยขึ้นกูมไม่ได้พิเศษเลยมันก็หาหรูอ ว, ว่าหลวงพ่อโอ้โหมียานพิเศษะรู้ล่วงหน้าวันจะเจอศพวะไม่เจอแล้วไงมันขึ้นอื่น่กูพูดเรื่องคนแหลนะเนาะและความเชื่อเนี่นะ ก, ก็เลยบไปผู้ผู้วิเศษกันไห ม, มันก็แสงตั้งกูว่ากูมยานยานอะไรอ่ะฮะเงจรินนี้เรื่องจินไม่ใเรื่องสลกฮะโอ้โหนะแล้วตอนเช้ามาโอ้ตูดขึ้นก่อนเลยศพนะแล้วก็เงียบไม่มีไฟเลยจนเขจะเอาศพขึ้นมากลัวผีเลยปล่อยให้กูอยู่สงบคนเดียวฮะะ ที่ที่กูอยู่อ่ะไม่ใช่ละสองศพสามศพแล้วเหรอตกน้ำตายตรงนั้นพอาะตกน้ำทีหนึ่งก็ไม่มีคนไปหาปลากูก็เล ย, ย้นั่งางมานอนสบายพอสองสามเดือนแค่นั้นแหละลืมอีกหาปลาอีกโอ้โหล่ำเลยกันพญานาคโอ้โหเนี่ยตรงนั้นเป็นวังพญานาคว่าง กูอยู่ตรงนั้นกูไม่เห็นกูเห็นแต่ปันิง ก, กูอยู่ตรงหวังมันเลยอ่ะกูตีกูเดี๋ยวนี้ก็ยังอยูย่เคนเฟลามเลยว่ากูข่งมากนะโอ้โหกูจะไปแข่งเรื่องอะไรจริงนี่ศพรึงอะนี่กายหองอะนู้นเน่ อ, นอยู่อยู่สุดเกนะลียันไ้ะกูอะนะ ยากก็เลยเอามาฝังไว้อนะยากมาอยู่กับหลวงตาบ้างมันไม่คิดว่ากูจะกลัวผีเลยนะตอนนี้กู ย, ยังฝังอยู่จนะังไงกูว่าโดนนี่ยแหละเป็นคนฝังฮะกลัวดีเหมือนกันนะคนจะได้ไม่มาใกล้กูกูว่าไงจะได้อยู่สงบมั่งบางทีเอามาเอาศพมาฝังเยอะๆก็ดีกูว่าลงกุฏิกุณี่กุฏินี่ก็มีนะ เอาศพมาฟังเนี่ยตรงกระถางดอกไม้อ่ะง่ากูศีหลวงตาแล้วนะไอ้ปี๊ดปี๊ดเนี่ยห้าโมงเย็นนี่หายนะแล้วปล่อยกูได้อยู่คนเดียวสบายห้องมันกลัวผีไนงะนะดูที่มันกลัวศพนะนะมันก็ดีเหมือนกันนะนะนะจะพักก็ลืมก็ตกตายเองแค่พอตายไปสักคนหนึ่งก็หายไปเดือนสองเดือนะมันก็เป็นอย่างนี้ มันไม่เสี่ยงเนกูก็อยอนะถ้าตายเมื่อไหร่โอ้โหสบายกูไม่มีคนมาหาปลาใกล้กุติกูไงห้ามไม่ฟังจะฟอกตกน้ำตายแค่นั้นไม่ต้องห้ามไม่มาเลยแสงไฟนี่ไม่มีเลยกูก็เลยสบายสงบอะเขาก็าถามว่าไม่มาหาลุงตาด้วยผีหร อ, อ, อบอกกูก็ไม่เห็นนะ กูอยู่ในมืดมืดกูไม่กล้าเปิดไฟกูว่ากัะอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องจริงๆนะเป็นอย่างเนี้คนเราก็เป็นอย่างเงี้นย น, นะก็ตอนนี้ก็พูดผ่อนคลายกันบ้างนะแลจะพูดเรื่องจริงนะะเมื่อคืนนี้ก็อสองทุ่มก็มีเจ้าของช่องพิจนะิตะอยากให้พูดอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยล้องรู้จะลงตาเป็ดไม่เป็นหรอกะอะนะนะจะถ่ายทอดอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยอะไรส่อย่างนี้ก็มีคนทำนะนะตอนลงตาก็เล่นเฟสเป็นอย่างเดียวอเฟสลงตากับโอ้เขานึกว่าเป็นใครเขาไม่รู้เนี่ยนายละทมขงมขืนนะอะเฟสลงตานะอตอนนี้แ อ, แอดมาก็รับไม่ได้เราเพราะเต็มห้าพันแนละ้ว <c oughs> แล้วกูก็ไม่รู้แอดมาทาไมสักแตรับเป็นเพื่อนกูก็ไม่เคยเห็นกดไลค์สักทีเลยไม่เคลื่อนไหวเลยอยู่ในความสงบมากเลยเพื่อนกูทุกคนไม่รู้มันจะเล่นทาไมแอดมาทาไมก็ไม่รู้กดไลค์กดแชร์ก็ไม่มีนะ ก, กูว่ากูจะลบหมดอยู่แไม่รู้มันเป็นเพื่อนประเภทไหนเพื่อนายก็ยังไม่ลงไปงม ก็ก็พอจะติดเพียงแค่นี้ก็แล้วาติอ๊า